เป็นไงหายเหนื่อยยังขึ้นเขาออกข้อสอบปฏิบัติมาทั้งวันออกข้อสอบหนักนก็ในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นการปฏิบัติจะไม่ทำให้เราหนักหน่ว ง, งงอหรือไม่ทำให้เราเบื่อ แต่ว่ามันมีวิธีแก้ั่นั้นเองการปฏิบัติกรรมฐานคือการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาตนเองนะเพราะชีวิตนี้คือตัวปัญหามันมีปัญหาได้ทุกทุกเรื่องเนี่ยเมื่อมีปัญหาแล้วถ้าเรารู้จักทางแก้เนี่ยปัญหามันก็จะไม่เป็นปัญหานะปัญหามันจะกลายไป็นอะถ้าปัญหาที่เราแก้ได้ปัญหาจะกลายปไปเลย กลายเป็นกลายเป็นปัญญาแต่ปัญหาถ้าแก้ไม่ได้มก็กลายเป็นตัณหา่กลายเป็นความทุกข์ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาปัญหามีตลอดเวลานั่งนานง่วงเป็นปัญหาหมเป็นนั่งนานเมื่อยเป็นปัญหานั่งนานเบื่อเป็นปัญหา ตา้งนานหิวเป็นปัญหาปัญหาตลอดดนั้นเองพอเราศึกษาวิปัสนารู้วิธีแก้ปัญหาทุกเรื่องที่มันเกิดใจแล้วก็สบายนะนั้นเองทางชาวไม่สอนโชคดนะีที่มีลูกมีหลานมีความเรียกว่าอะไรมีวิสัยทัศน์มีสายตากว้างไกลได้พยายามจัดเรื่องนี้ขึ้นมา ทังทางที่ก่อนหน้าเราก็มีการนับถือพระกรรมฐานนับถือศาสนาเขาวัดวามายาวนานนะแต่ปัญหาเรายังแก้ได้ไม่หมดเพราะว่าบางอย่างบางพุทธศาสนาบางแง่บางมุมเราอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เยอะนะวิธีการหลงพ่อเทียนเป็นวิธีการที่มันแก้ปัญหาได้เรื่อยๆนะคือคือ สอนให้เราวิธีแก้ปัญหาตลอดแต่ว่าในกรรมฐานต่างๆที่เราเคยไปทำมาเนี่ยสอนให้เรานั่งสงบสอนให้เราหาความสุขสอนให้เร า, เาสร้างความขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเองสอนใหเรามีฤทธิ์มีเดชมีฌานอะไรทำนองเนี่ยมันมันไม่เป็นวิธีแก้ปัญหานะอืมฉะนั้นในเรื่องของอริยสัจมันอยู่สองข้อ คือเรื่องของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทุกกระสมุธัยคือปัญหาใช่ไหมนิโรธมรรคก็คือวิธีแก้ปัญหาพระพุทธเจาตรัสรู้วิธีแก้ปัญหาคือแต่เรื่องยศ ส, ส, ส, รรสีทุกและสุงวุธัยคือตัวปัญหานะนิโรธมรรคเป็นวิธีแก้ปัญหานั่นตรัสรู้เรื่องนี้เนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติ เราแก้ปัญหาเป็นก็หมายความว่าเราจะรู้เรื่องอริยสัจหรือไม่รู้ก็ตามนะถือว่าเราก็ได้เข้าถึงธรรมพุทธเจ้าแล้วรู้วิธีแก้ปัญหาอ่าอะไรบ้างที่ไม่เป็นปัญหาเกิดมาก็เป็นปัญหาละนะตายก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาก่อให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจให้รู้ว่าที่เรารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เป็นตัวปัญหาละเราจึงหาวิธีแก่แตลอดองไง ดังนั้นเวลาเรามานั่งปฏิบัติเราพลิกเราเปลี่ยนเราทาอย่างงาน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยตลอดเวลานั่นคือวิธีแก้ปัญหาของเราถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวเราได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่เป็นปัญหาเลยนะเพราะอะไรเพราะตัวเรานี่คือต้นตอปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นต่อ น, นี้ได้ปัญหาข้างนอกเป็นปัญหา ที่ไม่ยากพอต้น่อเราอยู่ที่นี่นะดังนั้นเองการทำวิปัสนาจึงเป็นการทำบุญอย่างสูงมีอา น, นิสงส์สูงแล้วก็ผู้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็ได้บุญเยอะในพุทธ่าตรรับรองเอาไว้นะผู้ใดก็ตามที่ได้ทำาการทักษิณยธรรมแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อกำลังละโลคโกรธหลงบุญของคูนั้นย่อมมีผลสูงอ่าเพราะอะไรเพราะเราเ่อจะได้เรียนรู้กัรลดความโลกความโกรธของความหลงของเราลงด้วยคนไหนปฏิบัติเพื่อละความโลกท่านก็จะสอนให้เราแก้ความโลกของเราคนไหนปฏิบัติเพื่อละความโกรธเขาก็ารู้วิธีละเขาก็าจะนําวิธีละความโกรธมาสอนเรา คนนั้ปฏิบัติเพื่อละความหลงเขาคนรู้วิธีละความหลงแล้วเอาวิธีแก้ความหลงของเขาเนี่ยมาสอนเราเราก็เอามาปฏิบัตินะดังนั้นเองไปปฏิบัติวิปัสนาหรือปฏิบัติภาวนาที่ไหนก็ตามถ้าไม่ได้สอนวิธีเราแก้ปัญหาอันนั้นถือว่าไม่ถูกนะนะจะเป็นวิธีใดก็ตาม แต่ถ้าเราเข้าไปปฏิบัติแล้วเรารู้จักวิธีแก้ปัญหา้แต่จะลดปัญหาเราลดลงนะปัญหาในครอบครัวลดลงปัญหาเรื่องสุขภาพลดลงปัญหาเรื่องส่วนตัวลดลงรู้สึกชีวิตนี้เบาสบายถามว่าปัญหายังมีอยู่เดิมไหมปัญหายังมีอยู่เดิมทุกอย่างความแก่ความเจ็บความตายยังมีอยู่ความอดอยากความขาดแคลนความโลกกระทั่มนะสุขทุกนินทาสรรเสริญยังมีอยู่ครบแต่สิ่งเหล่านั้น ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราแก่เพราะเราแก้ตลอดโรคหคยไข้เจ็บ ก, ก็ยังมีแต่ว่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ไทุกข์กับมันแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ก็ถือว่าแก้แล้วนะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญหากับมันนะดังนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านสแสวงหาบาเพ็ญบารมีมาหลายภพชาติกับกันเพื่อให้มารู้เรื่องนี้ให้มารู้แค่สองเรื่องเนี่ย ท่าตรัสว่าอย่างนี้ว่าเราตถาคตเกิดมาเพื่อเชีย่ยเห็นทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นถ้าโลกนี้ไม่มีทุกข์และไม่มีการดับทุกข์เราตถาคตก็ไม่จำเป็นต้องเกิดมาก็ได้เพราะเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อสองอย่างแต่ทำอยู่ยสี่วิธีการ ทำอยู่สองอย่างคือบอกชี้ทุกว่าอันนี้คือทุกนะแล้วทางออกมันคืออย่างนี้นะอันนี้คือหน้าที่ของท่านนะแต่ว่าท่นททานทำทำโดยทำโดยวิธีสีวิธีหนึ่งวิธีเรียกว่าเปิดของที่ปิดสองหงายของที่ห่วงสาม 3, บอกทางแก่คนหลงทางสี่ชูแสงสว่างในที่มืด น, นะนี่คือทำาดยวิธีสี่ประการนี่ ที่บอกว่าเปิดของที่ปิดอ่าเช่นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้จั ก, จกคําว่าลูกนามไหมเราจะรู้จั ก, จกคําว่าอนิจจังทุกข์ขรหน้าตามไหมคือจํานะจำจากหนังสือแต่ทําไม่เป็นแต่พอมาปฏิบัติพิปัสนาเนี่ยรูปเป็นอย่างไรนามเป็นอย่างไรเบื้องต้นที่สุดต้องต้องทําเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะรูปนามเป็นอย่างไร ถ้าจบข้อวิปัสนาแล้วยังไม่รู้ว่ารูปนามคืออะไรนี่ถือว่ายังไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะดังนั้นเราจึงเน้นว่าอะไรคือรูปอนานะอะไรคือนามอะไรคือกายอะไรคือใจทุกคนรู้จักนะกายเป็นไงใจยูรู้จักจะถามว่ารู้จักจริงไหมทักสงสัยใช่ไหมรู้จักรู้จักรูปก็คือกายนามคือใจอันนี้เขาเรียกว่ารู้จำ ยังไม่รู้จักแต่เราต้องการไม่ใช่รู้จําไม่ใช่รู้จักแต่เราต้องการรู้แจ้งและรู้จริงว่ารูปมันเกิดจากอะไรนามมันมาจากไหนทุกมันมาจากไหนนะทุกของรูปเป็นอย่างไรทุกของนามเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่า อ, องค์พระเทียนท่าให้รู้จักรูปนามรู้จักรูปนามรูป รู้จักรูปทุกนามทุกรู้จักรูปโลกนามโลกรู้จักอนิจจังทุกขังนาตาเรียกว่ารู้จักรูปนามให้รู้อย่างนี้อืมทีนี้รูปนามเอบางคนว่าลูกฉันรู้จักฉันก็ถ่ายรูปทุกวันนะใช่ไหมจะบอกฉันไม่รู้จักรูปได้ไงรูปนั้นจะถ่ายรูปคนละเรื่องเลยเยอะฉันถ่ายรูปทุกวันรูป กับนามนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปใจเรียกว่านามนะถ้าหากว่าเราเราทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อดเราเหลือสองคือรูปกับนามนะรูปนามนี้เองเราจะเรียกว่าขันนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่าขันทีนี้ถ้าหากว่า เรานั่งเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเรามีลูกคุณรู้ได้ไงว่าคุณวคุณว่ามีลูกมีกายรู้ได้ไ ง, ไไงนั่นี่รู้ได้ไงว่ า, ามีลูกฮะตามองเห็นใช่ไหม เ, เดี๋ยวถ้าสมมติหลับตาจะมองเห็นไหนัา้ามองเห็นก็ไม่ใช่ลูกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราตามมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราหลอบตาเราก็ยังรู้ว่ามีรูปอยู่อะไรรู้รอ่าเรารู้ว่ามีรูปพ่อเรามีอะไรมีนามไม่ใช่มีใจใจเป็นส่วนหนึ่งของนามนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเรียกว่าใจเรียกว่านามนามเป็นส่วนหนึ่งของ รูปเป็นส่วนหนึ่งของนามนะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกาย ก, ายก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งของนามรวมทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารูปนามเรารู้ว่าเรามีอยู่เพราะมันมีความรู้สึกความรู้สึกเรียกว่าเป็นนามคนตายเขารู้เขามีรูปไหมไม่รู้เพราะเขาไม่มีอะไร ไม่มีนม้ำแต่คนเป็นรู้ว่าเรามีรูปเพราะเรามีนามนามมันทำให้รู้อะไรรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงใช่ไหมในขณะนี้นั่งรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกสบายไม่สบายลมพัดมาก็รู้สึกเย็นเออเรามีรูปรูปอะไรรูปของความเย็นความเย็นเป็นรูปนะความร้อนก็เป็นรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเป็นรูปหมด ความสบายไม่สบายก็ยังเป็นรูปรูปของความสบายรูปของความไม่สบายแต่การที่เราเห็นเนี่ยตัวดินน้ําัวไฟประกอบที่ตาเรามองเห็นนี้อันนี้เขาไม่ใช่เรียกว่ารูปเขาเรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำหรือไฟมาประกอบเันเข้าดินในส่วนไหนที่แข็งแข็งเรียกว่าดินในส่วนไหนที่มันอ่าเย็นเรียกว่านา้ํามันเหลวส่วนไหนที่มันเคลื่อนไหวได้เนี่ย เป็นลมในส่วนไหนที่มันเจ็บมันแสบมันคันมันร้อนอบอ้าวเรียกว่าไฟอดินน้ำรูปไฟมาผสมกันเข้าเรียกว่าอเป็นรู ป, ปราธาตุนะแต่เราที่เรารู้จักเนี่ย ม, มีสองรูปรู ป, ปราธาตุคือธาตุสีดินน้ำรูปไฟรูปขันคือใจที่รู้เช่นวันนี้ตอนสี่โมงหรือห้าโมงเราไปไหนมาเนี่ย เราลึกถึงภาพจําได้ใช่ไหมตัวนี้เป็นรูปไหมรูปอะไรรูปขันอา่ารูปขันถูกต้องก็ถูกต้องนั่นแหนะละรูปขันนะไม่ใช่รูปพระธาตุแต่ตัวรูปพระธาตุเป็นผู้ไปใช่ไหมแต่ที่เรานึกขึ้นได้นี้เลยรูปประขันคือเห็นภาพอ่ะใช่ไหมเห็นภาพขึ้นมาระหว่างรูปธาตุกับรูปขัน ความทุกข์ของรูปธาตุกับความทุกข์ของรูปขันเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกัน<ม>เช่นเราขึ้นเขาวปวดขาเหนื่อยใช่ไหมอันนี้เป็นทุกข์ของรูปของขันหรือของธาตุเอ๊ะสักตีกันแล้วนี่นนคนเอาละคนบางคนขึ้นภูเขาแล้วรู้สึกสนุกไม่ทุกข์เลย ถึงแม้จะเหนื่อยจะร้อนเป็นทุกข์นะอันนี้เรียกว่ารูปธาตุเป็นทุกข์แต่รูปขันทุกข์ไหมเพราะจิตใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดโกรธเกลียดเครขงคุณไม่ได้เกิดความอไม่พอใจแต่ล็เกิดความสนุกสนานนี่เงี้ยไม่ได้ทุกข์กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์กับความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นใจไม่ได้ไปทุกข์ด้วยนั้นเรียกว่ารูปรูปขันไม่ได้ทุกข์แต่ทุกข์แต่ รูปธรรมาตุนี่นี่นี่ต้องรู้จักรูปนามรู้จักอย่างนี้นะบางคนรูปรูปก็คือตัวนี้อันนี้คือรูปธรรมาตุแต่เราลูก ป, ประขันเนี่ยท่านบอกว่ามีสองอย่างคือหนึ่งมหาปุถุรูปสองอุปทัยรูปถ้าหากว่ารูปบอกว่ารูปธรรมาตุเนี่ยมันทําให้เรางงเอ๊ะเราก็คยดีอยรูปธรรมธาตุนะ แต่ถ้าหากว่ามหาปูตลูกเออเคยได้ยินมหาปูตลูกมหาปูตลูกก็ธาตุสี่ดีนะดวงไฟมหาปูตลูกก็บลูกอุบัติอันเดียวกันนะเรียกว่ามหาปูตลูกแต่อีกอันหนึ่งก็อุปัตายาลูกโยมเมื่อเคยได้ยินเน่ยภาษาภาษาพิธรรมอุบัตายุคือลูกอาศัยนะลูกอาศัยอย่างลูกผู้หญิงลูกผู้ชายลูกเย็นรูกร้อนลูกอ่อนลูกแข็งลูกตึงรูกหย่อนอะไรพวกเนี้ย ในรูปพวกนี้รูปอาศัยนะและรูปพวกนี้เองที่ทําให้เกิดเป็นรูปขันทําให้เรานึกภาพออกร้อนไปนอย่างนี้ยนเย็นไปนี้ร้อนฉันชอบใจอเย็นฉันไม่ชอบใจเย็นฉั้นชอบใจร้อนฉันไม่ชอบใจไอ้ความพอใจมอบพอใจนี่เองเขาเรียกว่ามันเป็นขันนั่นหนึ่งนะเป็นเกิดขึ้นในใจของเราก็นึกเป็นภาพขึ้นมาดังนั้นให้รู้จักอย่างนี้รูป ที่มันเป็นธาตุเนี่ยเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันทุกข์เนี่ยได้ไหมหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าไม่ให้กายเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ให้รูปหรือเป็นทุกข์หลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ได้อากาศร้อนหน่อยก็ทุกข์ละใช่ไหมนั่งนานหน่อยก็ทุกข์ละความม่วงเป็นรูปเป็นทุกข์ของรูปหรือเป็นทุกข์ของนามอ่าจะรู้จักกันนนะี้แล้วความม่วงเป็นรูปเป็นความทุกข์ของรูปหรือเป็นความทุกข์ของนาม อคนง่วงขณะง่วงเนี่ยหน้างามหรือไม่งามหน้าสวยหรือไม่สวยเอยแสดงว่าอาการของรูปก็แสดงด้วยใช่ไหมจยว่าเป็นรูปของนามด้วยไงเป็นความวิบวิการโอ้ยคการของรูปด้วยใช่ไหมอ่าเป็นทุกข์ของรูปและเป็นทุกข์ของนามร่วมกันในนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นความทุกข์ของรูปนามไม่ใช่ความทุกข์ของนามรูป ความทุกข์ความนังูกสมมติว่าง่วงเนี่ยถามว่าเวลาง่วงคุณพอใจหรือไม่พอใจเออไม่พอใจทําไมง่วงไงที่งง่วงแสดงว่าพอใจที่จะง่วงใช่ไ่าบางคนก็ตั้งใจง่วงด้วยใช่ไหมนท่งนั่งหลับตาง่วงเรามันมีความสุขดีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าความง่วงเป็นเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่นะอความง่วงทําให้เราสุขก็มีนั่น สแสดงว่าความง่วงมันเป็นทุกข์ของลูกหรือเป็นทุกข์ของนามถามอีกครั้งเป็นความทุกข์ของลูกแต่นามไม่แน่เพราะบางคนชอบใจตั <c oughs> ้งใจที่จะง่วงด้วยใช่ไหมละ่ะแสดงเขาไม่ได้ทุก ข, ข์กับมันเขาเขาที่เสพสุขในความง่วงด้วยนะมันไม่ง่วงทำท่าหลับตาทำท่าพิงสบายๆเนี่ยเดี๋ยวได้ง่วงละ แต่ถ้าเขาไม่ชอบไม่อยากให้มันง่วงเขาก็ไม่ต้องไปทําอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งพิงไม่ต้องนั่งเพล่นี่ก็อยากให้มันง่วงด้วยเพจะได้สบายผ่อนคลายไงนั่นแสดงว่าความทุกข์ไม่ได้เป็นความความง่วงไม่ได้เป็นความทุกข์ของนามเสมอไปแต่ว่ากายเนี่ยแน่ๆถ้าง่วงเราเป็นทุกข์เนาะมันไม่สบายอแต่ว่ามันเป็นแสดงออกทางนั้น ดังนั้นนี่วรห้าความม่วงความเบื่อความเหงาความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความหมุนหงิดพวกนี้มันก็เป็นทั้งความทุกข์ของลูกของนามนันแหละแต่ว่าแน่นอนเป็นความทุกข์ของทั้งลูกทั้งนามแต่เราที่เราไปเสพไปก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เราไปเสพความทุกข์สําคัญว่าเป็นสุขน่ะเราก็ถึงม่วงได้เอาละทีนี้ลูกนามรู้จักละ นามรูปดูปจากนามรูปไหมรูปนามคือกายความทุกข์ของกายกับใจร่วมกันแต่ความทุกข์ของนามล้วนๆมีไหมอย่างสมมุติว่าเงินเราหายนึกถึงเมื่อไหร่แลอะโอ้เสียดายเป็นทุกข์ การที่นึกถึงว่าเงินหายสักล้านหนึ่งเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี่เองเกิดจากที่มันนึกถึงเงินผ้าของเงินที่หายนี่ก็เรียกว่านามรูปแต่ถ้าหากว่าเราไม่นึกถึงมันเป็นทุกข์ไหมไม่ได้ทึ้งไม่ได้นึกถึงเพชรพลอยที่หายไม่ได้นึกถึงนาฬิกาที่หายไม่นึกถึงรถที่หายไม่ได้นึกถึงมือถือที่หายไม่นึกถึงเงินที่หายเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ไม่ได้นึกถึงมันเลยเนี่ยเป็นทุกข์ไหม ไม่ทุกเพราะฉะนั้นมันทุกตอนไหนตอนที่เราคิดถึงมันใช่ไ่าตอนที่เราคิดถึงมันเท่านั้นนั้นนามรูปจึงเป็นต้นตอของความทุกข์ทางนามรูปนามเป็นต้นต อ, อความทุกข์ทางรูปเพราะรูปไม่ได้เป็นต้นตอของทุกข์ทางรูปอยูน่นล้วเพราะคนตายก็มีรูปเขาก็ยังไม่ทุกข์ใช่ไหม แต่ที่รูปนี้มีทุกเพราะมันมีนามอยู่รับรู้แต่นาม น, นามมารูปรูปทางใจที่มันทุกหน่เพราะมีนามมารูปแต่ถ้ามีนามอย่างสติเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามลูกคำว่าสติสมาธิปัญญาเป็นรูปนามหรือนามรูปนนเออเออเออเออเออจะสอบผ่านไม่ผ่านกัวันนี้แล้ววนะันนี้ เอ๊ถามว่าความรู้ตัวเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูปความรู้สึกตัวเอานะมันมีอย่างนี้นะมีรูปมีรูปนามมีนามล้วนๆรูปล้วนๆนามล้วนๆมีรูปนามแล้วก็นามรูปมันสี่อย่างเลยนะรูปล้วนๆนามล้วนๆแล้วก็รูปกับนามบวกกัน นามกับรูปบวกกันแต่เดี๋ยวนี้เรากําลังเรียนรู้สองอย่างว่ารูปกับนามบวกกันเป็นทุกข์เช่นความง่วงความเหงาเราความทําการทํางานมันเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจเนี่ทุกข์ทั้งรูปนามและทุกข์ทั้งนามรูปแต่เราทํางานไปเราไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทำงานไปสนุกไปเนี่ยเราก็มีร่างกายที่เป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ใช่มหมแต่ใจไม่ได้เป็นทุกข์เพราะไม่มีนามรูปน่ะ แต่ทีนี้ถ้ารูปรุนล้วนที่เป็นทุกข์กับน้ำรุนร้วนเนี่ยเป็นทุกข์ไหมรูปรุนล้วนเป็นทุกข์ไหมก็ <c oughs> อีนนี่เป็นทุกข์ไหมสาราหลังนี้เป็นทุกข์ไหมร <c oughs> <c oughs> ูปรุนล้วนไม่ได้ทุกข์นะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีน้เอ่ะอย่างสมเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผานีมันก็ไม่ทุกข์ เพรามันเป็นนามเป็นรูปล้วนๆไม่ทุกเป็นปรามัดนน่ยแล้วก็ตัวนามล้วนๆทุกไหมอ้าวถามก่อนว่านามล้วนๆเป็นไงถามไปเมื่อกี้ว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามนามรูปหรือนามล้วนนามล้วนๆตขอบตกแล้วนามรูปนามรูปคือคิดออกมาในเรื่องที่เรา ความคิดอ่ะเป็นนามรูปแต่นามรุนๆไม่ใช่ความคิดนามรวนเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวนี่เป็นนามรุนๆเพราะนณสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนามรุนๆแต่ถามว่าปัญญาเป็นรูปอย่างไรนึกออกไหมรูปเป็นรูปมันเป็นไงรูปของปัญญาเนี่ยไม่มีรูปสติเป็นตัวยังไงไม่มีรูปเพราะมันเป็นนามรุนๆนึกไม่ออกแต่ถามว่าไอ้แก้วเนี่ยเป็นตัวอย่างนึกออกไหม แก้วเปลักษณะนึอ้นกออกแต่ถามว่าสติเป็นรูปอย่างไรนึกไม่ออกเพราะมันเป็นนามลววว้วนๆนึกไม่ออกนะแล้วก็คนตายแล้วเขาคิดเป็นไหมคิดไม่เป็นเ พ, เพราะเขาไม่มีนามเพราะเป็นรูปล้ลวนๆคิดไม่ออกถามว่าเขาไม่ทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์เพราะเขาเป็นรูปล้ลวนๆเพราะเขาไม่มีนาเมวัะนั้นรูป ล, ล, ล้วนๆนามล้วน ๆ, ๆเป็นปรมัตเพราะไม่ทุกข์แต่รูปนามและนามรูปยังเป็นสมมุติได้อยู่นะ นี่ให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเวลาเวลาปวดขาเนี่ยถ้าบอกว่าเราปวดกับรูปปวดเนี่ยมีอันไหนเป็นทุกข์อันไหนไม่มีทุกข์รูปมันปวดกับเราปวดเนี่ยเราปวดอ่าแต่ถ้าขามันปวดเราปวดด้วยไหมถ้าขามันปวดเราไม่ปวดด้วยก็ได้เพราะอะไรก็ขามันปวดก็แค่ขาไปดิ ใช่ไมแต่ถ้าเราปวดที่แก้มีที่แก้ไหมถ้าเราปวดรับขาปวดที่ต่างกันมเราปวดไม่เขาะใจมันปวดด้วยเพราะเราไปไปไม่ชอบการปวดขานั้นด้วยนี่คือเราหมายถึงนามรูปแต่ขาเนี่มันหมายถึงรู ป, ประธาตุมันทาหน้าที่รูปถ้าหลายทั้งปวง มันจะมีหน้าที่อยู่สามอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เรานั่นสบายๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่สบายละมันเปลี่ยนละถ้ามันเปลี่ยนเองเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสุขหรือเป็นทุกครูปนี้ถ้ามันเปลี่ยนเองมันเปลี่ยนไปทางสุขหรือทางทุกมันเปลี่ยนเองเนี่ยเอาละ <c oughs> เปลี่ยนไปทางทุกใช่ไหม อ่าเคื่องเปลี่ยนไปทางทุกอณิจา n g มันจะเปลี่ยนไปทุกขันไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันมันมีสองอย่างเราเปลี่ยนมันก็มันเปลี่ยนเองเฮ <laughs> <laughs> เหมือนกันอย่งละเอาตักแกงมาถ้วยหนึ่งมาตั้งไว้สามวันแกงถ้วยนี้เปลี่ยนไหม <laughs> ฟังให้ดีเราตักแกงมาถ้วยหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้สามวันแกงถ้วยนี้เปลี่ยนไหม เปลี่ยนทางดีขึ้นแล้วเปลี่ยนทางแย่ลงแสดงว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนเองมันเป็นทุกข์คือแกงบูดกินไม่ได้ฉะนั้นเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนยนะเปลี่ยนเอาแกงถ้วยเนี้ยไปเปลี่ยนใส่ตู้เย็นเอาไว้ไ ป, ไปเปลี่ยนด้วยการอุ่นเอาไว้ไปเปลี่ยนไปด้วยใสย่อตู้ใสก่กระป๋องสุญญากาศไว้แกงถ้วยนี้ก็จะบูดไหมไม่บูดแสดงว่าเราเป็นคนเปลี่ยนมันแต่ถ้ามันเปลี่ยนเอง เ, เปเนเนเน็นทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันไม่กขาเนี่ยเรานั่งเฉยๆเนี่ยให้มันหายปวดเองได้ั้มไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันไปนไงขยับหายปวดไหมอ่านี่เห็นไหมถ้ามันเปลี่ยนเองเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันอนิจจังไม่ได้เป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์อ่าเพราะนั้นอนิจจังไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกข์ เ, มมมเสมอไปนะ แต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปเปลี่ยนมันมันจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปถ้ามันเปลี่ยนเองนี่ทุกข์แน่อนอนดังนั้นความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะหนึ่งเราปล่อยมันเปลี่ยนเองเช่นนั่งไปนานๆเราไม่เปลี่ยนขาไม่ไม่ขยับเนี่ยทุกข์แน่อนอนละใช่ไหมแต่เราจึงขยับเรื่อยๆไงแต่เราขยับเนี่ยเราเปลี่ยนมันแต่เราเปลี่ยนมีสองระดับหนึ่งเราเปลี่ยนเพราะด้วยความเคยชินเช่นไม่สบายขยับ คนที่เขาไม่เจริญวิปัสนาไม่เจริญปัญญาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นไห ม, ไมขาเปลี่ยนเป็นใช่ไหมแต่เขารู้รู้ว่าเขาเปลี่ยนไหมเขารู้เขารู้ว่าเขาเปลี่ยนรู้สึกตัวไหมเขาเปลี่ยนคิดว่าเปลี่ยนไหมคิดว่าเราก็เหมือนกันที่เราไม่ได้เจริญสติบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายเราก็ขยับเองใช่ไหมถามว่ารู้ตัวไหมตอนขยับคิดว่าร คิดว่ารู้แต่คนจริงไม่รู้อันนี้คือของเราเคลื่อนไหวทุกส่วนเนี่ยถามว่าเคลื่อนไหวเพื่ออะไรพับตาเพื่ออะไรหายใจนี่ก็เคลื่อนไหวใช่ไหมเหลวซ้ายไหลขวาขยับซ้ายขยับขวาบิดซ้ายเหลวขวาเนี่ยเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะอะไรเราจึงเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไม่ได้อ่ะ หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่ต้องมันไม่เข้าไปกได้ไหมหายใจเข้าแล้วไม่ให้ออกมาได้ไห ม, ไมไเป็นธรรมชาติแ <laughs> สดงว่าทุกข์นี่เป็นธรรมชาติใช่ใชอ่าเพื่อมันเทาทุกข์ใช้ได้เพื่อแก้ทุกข์ที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อแก้ทุกข์นะเพื่อแก้ทุกข์แสดงว่าทุกข์ตลอดเวลา แต่เราดึงเคลื่อนไหวแต่เวลาเรามีทุกตลอดเวลาไงเราถึงแก้ที่เคลื่อนไหวที่แก้ทุกแต่เคลื่อนไหวมีสองอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวด้วยการตั้งใจเคลื่อนไหวสองเคลื่อนไหวด้วยคำไม่ได้ตั้งใจในชีวิตของเรานี่มีอันไหนมากกว่าหนึ่งเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจสองเคลื่อนไหวโดยตั้งใจมีอันไหนมากกว่าไม่ได้ตั้งใจระหว่างการเคลื่อนไหวที่ตั้งใจกับไม่ตั้งใจมีผลต่างกันไหมต่างกันยังไง ถ้าเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจเลาว่าเคลื่อนไหวโดยอะไรโดยความเคยชินโดยสัญชาตญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนโดยสัญชาตญาณผลออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผลออกมาเป็นตัวรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนด้วยอวิชชาดังนั้นคนทั่วไปตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนมีการเคลื่อนไหวหมดใช่ไหมถามว่าคนเหล่านั้น เขาหายสงสัยเรื่องการเคลื่อนไหวไหมไม่หายเพราะเขาพ่อพูนตัวความเคยชินเรื่โมหะตลอดเวลาเพราะการเคลื่อนไหวของเราอยู่ของของของคนนั้นอยู่ภายใต้โมหะตลอดเวลาที่ความไม่รู้ความเคยชินใช่ไหแต่วันนี้ที่เรามาฝึกเคลื่อนไหวเนี่ยฝึกเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความตั้งใจในการเคลื่อนไหวทุกครั้งวันนี้พับตายกี่ครั้งตั้งใจพับตาบ้างไหม เ ห, ห็ขนาดฝึกแล้วยังไม่ถึงอะ่ะใช่ไม่มมันละเอียดแต่ขอให้รู้ว่ายกซ้ายย้ายขวามือเนี่ยขอให้รู้การเคลื่อนไหวแค่นี้ก่อนแต่พอรู้ตัวนี้บ่อยเขาว่ามันจะไปรู้พับตารู้หายใจรู้หยิบของรู้จะรู้ขึ้นรู้ตอนนี้เริ่มรู้ว่าอะไรยังเวลาจะขยับไปไหนแต่ละครั้งเริ่มรู้ว่าอะไรยังร้อยครั้งเยรู้ได้สี่ครั้งีิ <laughs> สิบครั้งเอาสิบครั้งรู้ได้กี่ครั้งบางครั้งเป็นศูนเลยนะใช่ไหมยังไม่ยังไม่เนี่ยแต่ถ้าหากในร้อยครั้งเนี่นะคนไหนรู้ตัวว่าการได้ขยับส่วนใดส่วนหนึ่งในร้อยครั้งรู้สึกได้ถึงยี่สิบห้าครั้งคนนั้นเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเออประมาณไม่ได้นะในร้อยครั้งที่เราเคลื่อนไหวนี่นะแต่เรารู้ได้ถึงยี่สิบห้าครั้งขึ้นไปเป็นพระสุนทันได้ดวงตาเห็นธรรม อันนี้ต้องรู้ชัดๆนะไม่ใช่นึกว่าคิดว่ารู้นะยิบหครั้งนะคิดว่าได้อันนี้ใช้ไม่ได้ขีดเดาไม่ได้นะต้องรู้จริงๆว่าเออตั้งใจรู้จะขยับน ะ, ะเอื้อตั้งใจรู้จะรูๆๆๆ้เจ็ครั้งเออตั้งใจรู้ถ้าคนไหนในขยับปรับเปลี่ยนในร้อยครั้งแต่รู้ทันถึงห้าสิบครั้งความรบกวนหลงจะลดลงโดยอัตโนมัติเลย เราจะรู้เรื่องโรคปุหลงหรือไม่ก็ตามมันจะลดลงเลยเรียกว่าคนนั้นเข้าสู่ภูมิพระสกิทาคามีแล้วในร้อยครั้งเราสามารถรู้เนื้อรู้ตัวในขณะขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบครั้งคนนั้นเป็นพระอนาคามีเราจะเคยศึกษาพุทธศาสนามาหรือไม่ก็ตามเข้าสู่ภูมิมนาคามีได้แล้วเพราะมีความรู้ตัวทุก ได้ถึงแปดสิบเเซนคนไหนที่รู้เนื้อรู้ตัวถึงร้อยเอร์เซนตทุกครั้งขยับอะไรรู้หมดคนนั้นเข้าสู่ภูมิอรหันแล้วเห็นไหมเขาแบ่งเป็นสีขั้นไงถ้าระหว่างร้อยครั้งบางครั้งรู้ได้ยี่สิบห้าครั้งบางครั้งต่ำลงมาบางครั้งเกินกว่ายี่สิบห้าครั้งลักษณะนี้เรียกว่า โสดาปฏิมักยังเป็นมักอยู่ยังไม่คงที่ ข, ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าลดลงก็ไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าครั้งแต่ขึ้นไปนะที่เราฝึกอยู่เนี่ยเรียกว่าฝึกในมักฝึกในโสดาปฏิมักสกิทากามินักอาณ า, า, า, าคามินักอรหัตมักคือกําลังฝึกอยู่แต่เมื่อไหร่มันสําเร็จหมายความว่าเราในร้อยครั้งเนี่ยเราขยับ ปรับเปลียนเคลื่อนไหวยังต่ําที่สุดไม่ต่ํากว่า25้าครั้งเนะี่ยนี่เป็นผลละแต่ถ้ามันยังต่ํากว่า25่สิบห้าครั้งมันเขาก็เกินอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นมักอยู่ยังไม่คงที่ขึ้นขึ้นลงๆอยู่แต่ไม่ต่ํากว่าไม่ต่ำกว่ายีบห้ครั้งดังนั้นเราจึงเห็นต้นทางตั้งแต่แรกในวิธีการอันนี้เห็นต้นทางที่ค่อยสู่มักผลตั้งแต่แรกทําเลยนะ แต่ในวิธีอื่นนี่ยจะต้องไปเออไปทำวิปัสนาไปทําสมถะก่อนนะถึงจะไปยกจิตเข้าสู่วิปัสนาต้องไปสร้างบารามีก่อนนะแล้วถึงจะไปบารามีถึงจะเ ต, เต็มที่จะเข้าสู่มรรคผลได้มันเสียเวลาแต่พอมาทําโดยวิธีนี้มันเข้าสู่มรรคผลโดยที่ไม่ต้องผ่านเรื่องเหล่านั้นเลยแต่เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะแล้วก็เราต้องมีศรัทธาที่จะทําด้วยเพราะฉะนั้น คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะค่อยสู่ลังต้องมีให้อย่างหนึ่งต้องมีความรักที่จะทําไม่ใช่รักตอนที่มาที่นี่นะกลับไปบ้านก็ยังรักที่จะทําอยู่กลับไปบ้านง่วงไหมง่วงอยู่ที่นี่ง่วงไหมง่วงอยู่ที่นี่เวลาง่วงก็รักที่จะแก้ไขกลับไปบ้านง่วงก็รักที่จะแก้ไขอันนี้ต้องมีอย่างนั้นด้วยนะจะมารักจะมาตอนแก้ไขที่นี่กลับไปบ้านกูทิ้งหมดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะี่ว่าศรัทธายังไม่แน่นอนน่ะ หนึ่งมีคุณสวบัติหนึ่งมีความรักที่จะทำในสิ่งนี้นะสองทุกครั้งที่นีกขึ้นได้ลงมือแก้ไขทันทีเรียกว่ามีความเพียรที่จะทำสามมีความรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวทุกครั้งที่ทำสี่ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งใจทำห้า รู้เหตุรู้ผลด้วยว่าทําไปเพื่ออะไรเข้าใจในสิ่งที่ทํานี่คุณสุบัติห้าอย่างเนี่ยดังนั้นทุกคนปรารถนานะเวลาไปทําบุญก็ขอให้บุญครั้งนี้เขาไปเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเถอนปรารถนาแทบทุกครั้งแต่ว่าถามว่าตั้งใจทํำไหมตั้งใจทํามรรคผลที่เราต้องการให้เกิดไหมไม่ได้ตั้งใจแล้วแต่มันจะเกิดมันเป็นไปได้ไหม ยังปลูกต้นไม้ทิ้งเอาไว้แล้วแต่เพี้ยเป็นไม่เป็นเนียมันยากไหมใช่ไหมขนาดมันทนาถนะนองมันยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยยิ่งปลูกแล้วไม่ต้องการแต่นี่มันก็ยิ่งยากดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเลยไม่ใช่มาทําบุญทําทานทําภาวนาอย่างที่เขาทําทั่วไปเราทำมาจริงจังทำมาทั้งวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมาต้องเข้าใจได้ไม่มากก็ น, น้อยแต่ว่าเราต้องมาเช็คคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยแล้วเรามีจริงไหมคุณสมบัติ เช่นเวลาไปสมัครงานอเขาต้องการตําแหน่งอันนี้อันนี้คุณมีสมบัติอ น, นี้ไหมจบปริญญาตรีไหมสาขาไหนเขาจะถามก่อนหนใช่ไหมมันจะตรงกับงานเขาไหมถ้าคุณไม่มีสมบัติเขาก็ไม่รับเหมือนกันแต่ถ้าเราปรารถนาทําบุญปรารถนามรคนนผลณิพานถามว่าคุณมีสมบัติคุณสมบัติพอที่จะไปได้ไหมอ่าถามว่าคุณสมบัติคุณสมบัติที่จะไปมรุณนนิพานมีอะไรบ้าง แ้เขาวพูดต้องตอบได้เลยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาห้าประการนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นคุณจะมีศิลหรือไม่มีศินก็ไม่ว่ากันนะคุณจะมีสมาธิจะตัวสติเป็นศีลอยู่แล้วตัวสมาธิก็มีอยู่แล้วตัวปัญญามีเป็นคุณสมบัติโดยอัตนมัติแล้วในแต่ศรัทธาและความเพียรเนี่ยถ้ามีศรัทธาและความเพียรแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญามันมาเอง ดังนั้นเบื้องต้นขอเน้นสองเรื่องหนึ่งมีใจรักที่จะทำมีความเชื่อมั่นที่จะทำมีความฝักใฝ่มีฉันทะอยากที่จะทำอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเลยนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะทาแต่ถากลับไปบ้านมันหายอยากอันนี้เป็นศรัทธาไหมฮะศรัทธ า, าและความอยากเหมือนกันหรือต่างกัน เหมือนกันนะอยากจะถูกงหวยวันนี้เราเรียกว่าคนที่มีศรัทธาที่ถูกวได้ไหมไม่ได้เนะี่เขาไม่เรียกศรัทธานี่จะเป็นบวกหาในฝ่ายที่สี่พี่กุศลนะแต่ความอยากนี่ส่วนใหญ่จะเน้นในฝ่ายที่เป็นอกุศลนะนะอยากอยากโน่นอยากนี่แต่ว่าศรัทธานี่เน้นในส่วนที่เป็นกุศลคือเน้นที่จะให้การประโยชน์และความสุขอันทาวรออันแท้จริง แต่ถ้าหากเป็นความอยากเนี่ยขอให้มันได้ตามอยากในช่วงนั้นหลังจากนี้ทุกเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ได้ตามอยากก็แล้วกันนี่เพราะความอยากเป็นของชั่วคราวนะเวลาหิวข้าวมันก็อยากอาหารเวลาอิ่มแล้วก็ไม่คิดถึงไม่คิดเรองอาหารได้ใช่ไหมเวลาหิวอีกทีก็คิดกันใหม่นะฮะอันนี้คือความอยากเป็นขาคราวไปแต่ศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากไม่อยากก็ต้องกินแหละหิวไม่หิวก็ต้องกินนะ ดังนั้นในการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีคุณสมบัติห้าประการนี้ทบทวนอยู่เสมอเอาแค่สองอย่างศรัทธาและความเพียรก่อนนะมีความรักที่จะทำแล้วก็ลงมือทำํำมีความรักที่จะเจริญสติลงมือทําเรื่องความรู้สึกตัวมีความรักที่จะมีสมาธิลงมือทําเรื่องตั้งใจกายกับใจอยู่ด้วยกันมีความรักที่จะมีปัญญาพยายามศึกษาคนา้นคว้าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจตลอดเวลาแล้วอะไรเกิดมาแก้ไขได้ อะไรเกิดขึ้นก็รู้ความปวดเกิดขึ้นก็รู้ความปวดความเมื่อยตั้งอยู่ก็รู้ความปวดความเมื่อยมันจะหายไปอย่างไรก็รู้อีกเนี่ยลักษณะนี้คือเรียกว่าเป็นการทําด้วยความเพียร น, นะฉะนั้นจึงในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจึงไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาพูดกันนะเอาเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเอาไปทําได้จริงๆเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์มันเกิดมาฟังเรื่องนี้ยากนะ เพราส่วนใหญ่เราฟังดูหนังดูละครแล้วก็เปิดไปฟังเรื่องในยูทูบในเว็บไซต์ในแหล่งต่างๆพูดเรื่องธรรมะทั้งหลายที่โยมชอบเปิดฟังเนี่ยโยมจะได้ฟังสิ่งเหล่าเนี้ยน้อยครั้งส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องต่างๆนะความดีทั่วไปเรื่องชาดกเรื่องนิทานเรื่องภาณาเรื่องธรรมะทั้งหลายนี่แหละแต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการ จะดับทุกข์จะแก้ปัญหาแล้วก็ฟังสนุกสนุกนะเป็นอาหารใจใช่ไหมโยมก็ชอบเปิดฟังธรรมะทุกวันใช่ไหมบางคนก็เปิดประจำตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดฟังธรรมะก็เปิดไว้งั้นแหละคืออย่างน้อยมันก็ดึงใจให้เกิดสายกุศลอะ่ะแต่จะบอกวิธีการที่จะดับทุกข์ดับร้อนเป็นเรื่องเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีนะดังนั้นอันนี้คือโชคดีของชาวาพุทธ อ, อย่างหนึ่งก็คือเรามีการเผยแพร่ ค, คําสอนปริศนา ในรูปแบบต่างๆเราไปวัดแล้วก็ได้รับแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าวัดกันมันหมายความว่าเราเหืนห่างธรรมะนะแต่ธรรมะมาหาเราแต่เมื่อก่อนนี้มันไม่มีสีต่างๆเราต้องไปหาธรรมะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะมาหาเราถึงบ้านน่ะไม่เห็นในบ้า น, นในมุ้งเลยนะเพราะนั้นบางทีวัดบางทีเดือนนึงปีหนึ่งไม่ไปก็ได้ยินนะฮะ <c oughs> ดีไหม ทังทังปีไม่ต้องไปวัดเลยอ่ะแต่เราฟังธรรมะทุกวันดีกว่าไหมอันนี้พระสงฆ์อยาไปเพราะอย่างนี้เลยนะวัดไม่มีพระก็เพราะเห็นดีแลนะแต่ถ้าไปวัดแล้วเนี่ยวัดให้ประโยชน์กับเราเหมือนกับเราได้จากสื่อเนี่ยเราก็น่าไปถ้าไปวัดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ไปเื่อ่วลามันก็ไม่จะ ม, ม, มีมากนะเพราะฉะนั้นเราจะไปมันต้องเริ่เป็นเรื่องเวลา นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่พระเองวัดเองก็ต้องพัฒนาตัวเองนะถ้าไม่พัฒนาตัวเองจะเป็นโทษญาติโยมว่าไม่ชอบเข้าวัดเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้มันแย่ไหมครับเวราเป็นโทษโยมไม่ได้นะเพราะพระเองก็ไม่พัฒนาตัวเองวัดน่าเข้าน่าเข้าหรือไม่น่าเข้านี่นะอันนี้ก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นในการศึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องไกลด้วยเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลย เช่นแล้วนั่งรู้สึกสบายไม่สบายเป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องด้วยนั่งแล้วคิดคิดมากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้แหละสอนในเรื่องปัญหาและการดับปัญหาสอนเรื่องทุกการดับทุกสอนเรื่องวิธีดับกิเลสเหตุเกิดของกิเลส แ, และการดับกิเลส สอนเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาถ้าเราไม่สนใจในสิ่งนี้ชื่อว่าเราไม่ได้สนใจพุทธศาสนาถึงเราจะไปทําบุญไปให้ทานทุกวันก็ถือว่ายังไม่ได้สนใจพุทธศาสนาเป็นเรื่องประเพณีนะแต่ถ้าเรามาสนใจเรื่องนี้นะแม้เราจะไม่นับถือพุทธศาสนาก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธแล เพรานะอะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องผพุทธศาสาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เรื่องปัญหาและการดับปัญหาพุทธเจ้าจึงเจอพบสูตรสาก곤สูตรสีอย่างปัญหาเหตุเกิดปัญหาการดับปัญหาวิธีดับปัญหาการแก้ปัญหาวิธีความจนเหตุเกิดของความจนวิธีการดับความจนหรือสลัตความจนวิธีแก้ความยากจนเนี่ยท่ารู้เรื่องนี้ความแก่ เหตุเกิดทุกความแก่วิธีพ้นไปจากข้อการพ้นไปจากความแก่และวิธีพ้นไปจากความแก่ความตายเหตุเกิดทุกความตายการพ้นจากความตายวิธีการที่จะพ้นไปจากความตายเป็นสู่สากลเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยโรคเหตุเกิดของโรคการหายโรควิธีที่จะให้โรคมันหายเป็นสู่สากลที่พระเจ้าคุพบเรียกว่าอริยสัจแต่ทั้งสอย่างนี้ย่อเหลือแค่อสองได้ไห ยยอะหรืออะไรสี่ข้อเนี่ยเ่อเหลือสองเอเหลือทุกกับการดับทุกข์แค่นั้นเองอ่าแค่นั้นยยอปวดทำไงให้มันหายปวดเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามมันก็ปรารถนาอยู่แล้วใช่ไมมันใกล้ตัวหิวก็เพื่อที่จะหาวิธีแก้หิวนะ ดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เรียนรู้วิธีดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แม้แต่คนนั้นจะเป็นคริสตอิสลามพราหมฮินดูซิกอะไรก็ตามเขาก็ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเขาทุกไหมคนคริสตีอิสลามเป็นทุกไหมแล้วเขาหาวิธีแก้ไหมแสดงว่าเขาเป็นพูดโดยอตโนมัติใไหมเพราะฉะนั้น ในศาสนาต่างๆเอาวิธีการพุทธศาสนาพูดแต่เจ้าแต่สรู้ไปใช้หมดแต่เขาคิดว่าเป็นศาสนาของเขาแต่เขาไม่ได้ใช้ว่าริสัตว์เขาใช้ว่าพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยเขาให้พ้นจากการความทุกข์เนี่ยจริงๆใช่ไหมแต่ความจริงคําว่าปรมัดกับพระเจ้ามันเดียวกันแต่เขาไปสมมุติปรมัดที่เราว่าเนี่ยสติคือรู้ตัวเนี่ยเขาว่าเป็นพระเจ้าแต่เรามาใช้คําว่าสติซะแต่มันใช้สมมุติต่างกันเท่านั้นเอง วิธีการก็อันเดียวกันนะแต่ใช้สมมติต่างกันนะอย่างสมมุติว่าคำว่าผลไมนะ้บ้านเราว่าผลนั่นผลนี่กล้วยแต่จะไปเรียกว่าไปถามฝรัง่งคุณมีกล้วยมเนี่ยเขาจะว่าังไงเขาจะบอกว่าเราถูกั้มแล้วเราถามว่าไงคุณมีบาดาน่าไหมเนี่ยเออดูจะแฮปปะ yes i have อย่างนี้ <laughs> รู้เรื่องนะอันนั้นเราจะเห็นว่า ภาษาเนี่ยมันก็ทําให้เรางงเราไม่แยกไปชนเป็นชั้นแยกศาสนาแยากลทัทธิแยกนิกายเป็นเรื่องภาษาเท่านั้นเลยแต่สาระมันอันเดียวกันนะสาระเดแต่เขาทําไม่ถูกเพราะความเข้าใจยังไม่ถูกเท่านั้นเองเนี่ยดังนั้นเวลาเรามาศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยอมามาไม่อยากจะให้เสียเวลาไปเรื่องอื่นมาเจาะแต่เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องอื่นไปหาฟังที่ไหนก็ได้ใช่ไหมไปอ่านหนังสือไปฟังเทปฟังวิดีโอฟัง youtube ท, ที่ไหนได้ทุกที่ แต่เรื่องเนี้ยจะไปหาเรื่องที่เราพูดเราฟังกันอยู่จะไปหาที่อื่นฟังมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะเน้นให้เกิดความเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆถ้ามาอบรมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งออกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮูเสียเวลามหาศาลเลยนะหลวงพอไปเสียเวลาคุณก็เสียเวลาด้วยแต่ออกไปรู้สึกว่าอมืมันมีอะไรสะดุดใจอยู่นะเวลา บรรทุกไม่สบายคือมานึกขึ้นได้โอ้หลวงพ่อสอนให้แก้แบบนี้เราแก้ได้เลยเวลามันเกิดมันหล ง, ม, ลงมันลืมอะไรขึ้นมาเออสอนให้นึกขึ้นได้แก้เลยแก้ได้ทันทีนั้นคือผลอ น, นิสง์ของการที่เรานั้นคือบุญบุญคือรู้พนเห็นว่าบุญคือรู้ตัวบาปคืออะไรไม่รู้ตั ว, วนั่น <laughs> นี่นั้นวั น, ว, นวันหนึ่งระหว่างบุญกับบาปเนี้ยอันไหนเกิดมากที่สุดในชีวิตเราบาป ใ, ใกล้เลยนะใช่ไหมเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปทําบาปอะ่ะถ้าแ ค, ค่คุณคุณลืมตัวบาป 1, ทันทีแล้วนะบาปคุณไม่รู้ตัวเวลาคุณจะทําทบุญเนะนี่ยแค่รู้สึกนึกึงตัวก็บุญเกิดอะไรใช่ไหมอ่าจะบอกว่าไม่ต้องไปวัดก็ได้ก็ไม่ได้เพราะนั่นะเราไปต้องไปวัดรักษาเอาไว้ถ้าไม่ไม่มีวัดอาตมา ก, ก็ไม่ได้มาเหกันนะต้องมีวัดเอาไว้เหมือนกันอย่างน้นอยอาตมา ก, ก็ได้มาก็รักษาวัดเอาไว้เพื่อเราจะได้มาคบกันนั่นเองนะ ดังนั้นบาปคือไม่รู้ตัวบุญคือรู้เนื้อรู้ตัวนรกคืออะไรไคือไม่สบายใจวันนึงเราทุกตรงทุกลกบ่อยไห ม, ไม <c oughs> บ่อย <c oughs> สวรรค์คืออะไรสบายใ จ, ยใจระหว่างเปรียบเทียบระหว่างสบายใจกับไม่สบายใจอันนั้นมีมากกว่าในระหว่างวันเนี่ยเอาให้ดีนะ ในร้อยเปอร์เซนตเนี่ยความสบายใจบางวันมีถึงร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่แต่ความไม่สบายใจวันบางวั น, วนมีถึงสิบเปอร์เซนต์เยอะกว่าใช่ไหมอ่าเยอะกว่ามันเป็นได้ทุกเรื่องขอไม่สบายใจนะเขาห้องน้ําเปิดก๊อกน้ําไม่ออกปอเปิดน้ําล้ังสุวมมันไม่ลงนะลอย ลกเล็ลงลเลกอยู่เลยไม่สบายใจอีกแล้วนะตั้งหน้าหาสมุดไม่เจอเอแล้วครับหาแปลงไม่เจอเข้าห้องไปหาโทรศัพท์ไม่เจอมันมีเป็นให้อนยะ่างนั้นสบายไม่สบายใจเนะยเยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นเหตุให้เราที่นี่นความไม่สบายใจเนะี่ยมันก็เป็นที่ไปที่มาของความอ่าเป็นอบายคําว่าอบายแปลว่าไม่สบายใจอบายมีกี่อ่ะอบายมีสีอย่างใช่ไหมอะไรบ้างอบายสี่ อบายภูมิสีมีอะไรบ้างความไม่สบายใจแล้วก่อให้เกิดความร้อนใจเรียกว่า น, นรกความไม่สบายใจก่อให้เกิดความอยากละโมบโลภมากเรียกว่าเปรตความไม่สบายใจอันเกิดจากความกลัวเรียกว่าอสุรกายความไม่สบายใจอันเกิดจากการได้ทะเลาะบาแห้งขัดแย้งถกเถียงกันเรียกว่าดรลิชาร เนี่ยความไม่สบายใจเกิดสีเรื่องนี้หนึ่งเรื่องเพราะทําให้เกิดความ เ, เดือดเนื้อร้อนใจเรีว่านรกสองไม่สบายอันเกิดจากความอยากจะได้มันไม่ได้แล้วไม่สบายใจเรียกว่าขณะนั้นเราไม่ได้เป็นคนนะเป็นอะไรเป็นเปรตแล้วความไม่สบายเกิดจากความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวผีกลัวคนกลัวยากกลัวจนกลัวคนกลัวแขนกลัวสี้ถูกเหมือแล้วกลัวว่าจะไม่ถูกเป็นไง ก็กลัวกั้นนะเปนเนี่ยอสุรากายเขาเรียกอสุนพวกนี้เป็นอสุนเวลาเป็นกลัวโลกไข้ไข้เจ็บใช่อ่ากลัวอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แล้วกลัวโลกหน้าแล้วก็ความไม่สบายใจเพราะเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งถกเถียงกันนี่เป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าความไม่สบายด้วยมีอสี่เรื่องมีไหมในชีวิตจริงแล้วมีนะเพราะฉะนั้น แต่ว่าความสบายใจมีอยู่สี่เรื่องเหมือนกันหนึ่งสบายใจเพราะได้ทำตามเราอยากเราอยากจะได้อะไรเราทำตามอย่างนั้นได้นี่เรียกไปเป็นมนุษย์อยากจะได้ทุกข์ก็ได้อยากจะได้สุข ก, ก็ทำได้ทำเอาเองได้มีใครอยากจะได้ทุกข์ไหมยกมือขึ้นแต่ทำไมทำแล้วส่วนใหญ่มันเป็นทุกข์อะ เราได้ในสิ่งที่ไม่อยากแต่สิ่งที่เราอยากมันมักจะไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันแปลกไี่อยากจะได้ในความสุขแต่อยากเหลือเกินแต่ไม่ค่อยเจอนะแต่มันไปเจอในสิ่งที่เราไม่อยากนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะอันนี้อย่างเขาเรียกเกิดเป็นมนุษย์บางทีอยากได้ตามอยากบางทีไม่ได้ตามอยากสองคนอีกประเภทหนึ่งปรารถนาอะไรนี้ได้ตามอยากแปดสิบเปอร์เซน ไม่ได้ใช้สักแค่ยี่สิบเอร์เ็นที่สิบเปอร์เซ็นตพวกนี้เป็นเทเป็นเทวดาคือได้ตามอยากอย่างคุณรวยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเทวดาเพราะอะไรมีเงินนะได้ตามอยากสามคนที่สบายใจตามต้องการนะหมายความว่าสงบใจได้ตามต้องการเป็นส่วนใหญ่วันไหนต้องการให้ใจสงบก็ทำได้แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้พวกนี้เป็นพรม ทำให้ใจสงบได้ทําเป็นแต่ไม่ใช่ร้อยเเซ็นะนะนะสคนที่สามารถเลือกความสุขความทุกข์ได้ตามต้องการอยากแค่ได้สุขก็เลือกได้อยากจะได้ทุกข์ก็เลือกได้พวกนี้เรียกว่าเป็นอริยะเพราะฉะนั้นทางทางสบายก็มีสี่เหมือนกันหนึ่งมนุษย์สองเทวดาสามพรหมสี่อริยะพวกนี้ก็เรียกฝ่ายที่เลือกความสบายไม่สบายได้ แต่จะมากหรือน้อยได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนที่เลือกได้มากที่สุดได้แก่พระอริยะนะที่เรามาฝึกคือนี้ฝึกเป็นอริยนะตอนนั้นระวางสุขคติกับทุกคติเราเลือกจะเป็นอะไรสุขคติก็มีสี่ทุคติก็มีสี่ใช่ไหมที่ว่าไปเมื่อกี้ทุคติมีสีก็คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉาน สุคติก็มีสี่คือมนุษย์เทวดาอินพรหมแล้วก็อริยะแล้วอริยะก็แบ่งไปสี่ใช่ไหมโสดาสีนาคาอนาคาความสบายใจระดับโสดาก็ยี่บห้าเปอร์เซระดับสกน า, าสีดาก็ห้าสิบเปอร์เซระดับอนาคาก็8ปดสิเปอร์ซนระดับอาหารหันต์ร้อเเลยไม่ทุกเลยนละดังนั้นอันนี้คือชีวิตจริงของเราแต่มันก็เริ่มต้นไปจากมารู้จักตัวเองนี่แหละเริ่มต้นอยู่จากรูปจากนาม รู้จักกายรู้จักใจรู้จักอานิจังทุกขังหน้าตาไปอย่างที่เราเรียนรู้กันแล้วก็รู้บ่อยๆถ้าคนไหนขยันรู้บ่อยๆบุญก็เป็นไงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุญก็เต็มเพราะรู้เป็นบุญไม่รู้เป็นบาปทีนี้เราอยากจะได้บุญหรือบาปชีวิตจะวั น, นยอยากเช่นบุญแต่ขยันรู้ไหม ขี้เกยจรู้นะอยากจะได้แต่ไม่อยากจะทำเหตุมันไม่ได้แต่บาปนี่ไม่ต้องขยันรู้ก็ได้นะเฉยๆมันก็มาแล้วกันเถอะเราง่วงเนี่ยเราต้องขยันง่วงไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันก็มาเองบาปส่วนใหญ่มันมาเองเลนะแต่บุญแม่หายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นมาถึงบอกเอาแกงไปตั้งไว้เนี่ยให้มันไม่ให้มันเสียนี่เป็นไปไม่ได้มันต้องเสียเหมือนกันใจของเราถ้าไม่พยายามปกคับปกองเนี่ยบาปมันก็เกิดเองละ แต่เราพยายามประคับประคองเออมันก็บาปมันก็น้อยหน่อยนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เราผ่านความพยายามอามาก็จะชอบแต่ทําแต่เรื่องเนี้ยเรื่องอื่นก็ไม่อยากทําเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้เราหมดทุกข์อ่ะแต่เรื่องอะไรที่จะทําให้เราหมดทุกข์หมดร้อนทําให้เราสบายเนี่ยก็อยากจะทําแต่เรื่องนั้นเพราะเรื่องทุกข์เราไม่ยากเลยเราอยู่เฉยๆมันก็มาเองไงใช่ไหมไม่ต้องไปทํามาไม่ต้องไปทําแต่เราก็ขดฝ่ายในทางที่จะออกจากมันให้ได้ แต่เราไม่ได้หนีมันนะแต่ว่าออกจากมันได้นะมันตามมาแต่ว่าเราก็ไม่เราก็ไม่ไม่ไปทําตามมันเท่าไหรมันตามมาเราก็ไม่ทําตามมันแต่มันตามมาเราก็สนองมัน่ะเราได้ทุกเป็นอย่างนั้นเราอยากแล้วก็ตอบสนองอยากก็ทุกก็เกิดแต่แล้วอยากเราไม่ตอบสนองมันเสียทุกมันก็ไม่เกิดถึงจะมีเวลามันปวดเราไม่ปวดตามมันเสียใจก็ไม่ทุกใช่ไหมเวลามันห่วงเราก็ไม่ห่วงตามมันเสีได้ไหม เออได้ไม่ง่วงตามมันเดีแก้แค่นั้นเองอันนี้เราง่วงตามมันไปนะฮะง่วงตามมันไปมันก็เลยทุกตรงนั้นน่ะทุกเพราะเราไปตามมันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราแก้มันนั้นมันเป็นไรไม่ทุกนะดังนั้นแกงไม่อยากให้มันบุญเขาอยเาไปอย่าปล่อยให้มันตั้งเฉยเฉยใช่ไหมทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะทํายังไงก็ได้จะให้มันไม่ให้มันบุะทําได้อยู่ก็ต้องมีความพยายามเพราะฉะนั้นเรว่า คุณสมบัติเบื้องต้นที่สุดให้มีสองอย่างหนึ่งให้มีความรักที่จะทำสองให้มีความพยายามเรารักแกงเตัวนี้ไม่อยากให้มันบูดก็ต้องมีความพยายามใช่ไหแล้วรักปลาตัวนี้ไม่อยากไม่ให้มันเน่าก็ต้องมีความพยายามพยายามทําังไงไม่ให้มันเน่าได้ไม่ปลาหนึ่งไม่ให้ปลาตัวนี้เน่าในเวลาสิบวันเนี่ยทําไงว่างหนึ่งบางคนบอกว่าแกงบางคนว่าตากแห้ง บางคนพอกว่าทำปลาร ะ, บระาบุคคลก็ไปใส่ตู้เย็นนะฮะบางคลก็กว่าทำปลากระป๋องอะไรก็ได้ที่มันจะอยู่ได้ทําได้เก็บไว้ถึงปีก็ได้ใช่ไหมปลาทาเป็นอะไรทถึงปีนี่นะเนี่ยทาเป็นปลาร้ปลากระป๋องนี่ได้หลายปีใช่ไหม เ, เห็นไหมเนี่ยมันต้องมีความเพียรนะ่ะมันจะเป็นเองไม่ได้แต่ถ้าจะให้มันเป็นเองแล้วแน่นอนมันไม่มันต้องเน่าแน่นอนละ่ะ เรานั่งเหมือนกันถ้าจะให้มันสุกขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันก็ทุกข์เรื่อยๆเนี่ยอะไรก็ตามในรูปนามนามรูปอะถ้ามันเป็นเองมันจะต้องเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังก็เป็นทุกขังไงนะแต่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ทุกข์ก็ได้แต่เราจะต้องมีความพยายามมีความเพียรที่จะทํามันผลไม้มันสุกมันแก่แล้วอนาคตของมันก็คืออะไรเน่าและเสีย แต่เราไม่อยากให้ผลไม้นี่เน่าไรเสียให้มันอยู่ได้ทั้งปีดได้ไหมทต้องใช้อะไรพยายามใช้ความพยายามใช้ยาขนาดพยายามรักษาได้ไม่ให้มันเน่ามันเสียก็ได้เก็บไว้ทั้งปีก็ได้ใช่ไหมเออผลไม้แห้งผลไม้อบผลไม้ดองผลไม้ตากก็ว่ากันไปผลไม้กวนใช่ไหมก็อยู่ได้เนี่ยดังนั้ น, น, นความรักและความเพียรต้องมาด้วยกันเสมอถ้าคุณมีความรักคุณไม่มีความเพียร อสามีภรรยารักกันแต่ไม่พยายามเพียรที่จะประคับประคองจิตใจของกันและกันความรักรอยู่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็หมดใช่ไหมมึงว่ากูกูว่ามึงไม่ประคองใจกันไม่รักษาน้ําใจกันเดี๋ยวก็อ่าได้ได้ทิ้งกันเอางั้นเลยอันเนี้เหมือนเดียเพราะฉะนั้นความรักและความเพียรจึงเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เพื่อเรื่องธรรมะเท่านั้นนะ แม้แต่เรื่องทางโลกก็เหมือนกันแม้แต่เรื่องวัตถุก็เหมือนกันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องให้จำเอาไว้เลยว่าถ้าคุณอยากจะรักอยากจะมีอะไรเนี่ยคุณต้องมีความเพียรความเพียรมีลักษณะอยู่สีอย่างหนึ่งระวังในสิ่งไหนที่จะเป็นเหตุมันให้เสื่อมเนี่ยระวังอย่าให้มันเกิดสองนถ้ามันเกิดอ่ะต้องแก้ไขทันที สามพยายามหาวิธีการที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มันเกิดสี่ถ้าหาวิธีได้แล้วทําสิ่งนั้นบ่อยๆ อ, อ่าทําสิ่งนั้นบ่อยเช่นอะไรเช่นความง่วงเราไม่อยากม่ให้มันเกิดมันต้องระวังอะไใช่มหมสองพยายามแล้วพยายามอีกว่ยาก็ยังเกิดใช่ไหมรู้ว่ามันเกิดต้องไปไงจัดการแก้ไขทันทีนี่ความเพียรนะสามทำไงวะฮะไม่ง่วง ไม่ให้ง่วงบ่อยๆทําไงต้องสร้างตัวตื่นรู้ให้มันเกิดความตื่นตัวกับพี่กระเป๋าแต่เวลาเปี่ยนโน่มเปลี่ยนนีแต่วลานี่เราสร้างวิธีการป้องกันนะซีเมื่อป้องกันได้แล้วไม่ให้ความง่วงเกิดก็จะต้องรักษาไว้อย่างเข้มแข็งในวิธีการตื่นรู้นั้นนะเรื่องอื่นนั่นเหมือนกันเรื่องอื่นเยสมมติว่าเอ่อเรื่องร่างกายของเราไม่อยากจะให้มันแก่เออมันต้องแก่ใช่ไหม สองรู้สึกว่ามันแก่แเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขได้ไหมความแก่ความแก่ที่ปรากฏปรากฏยังไงลักษณะความแก่ปรากฏลักษณะของความแก่ที่ปรากฏในตัวเราปรากฏแบบไหนใครรู้บ้างฮะความลืมอย่าลืมความแก่มันรู้ว่าแก่เพราะมันมีความเจ็บปวดแข้งปวดขาเนี่ยสัญญาณของความความแก่เลยใช่ไหม อ่าเจ็บ น, นเจบนู่นเจ็บนี่สัญญาณของความแก่ถ้าร่างกายเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมือ่อยไม่อะไรเลยแสดงว่าอายุเราเป็นร้อยสองร้อถือว่าเราแก่ไหมไม่แก่แต่ถ้าอายุห้าขวบเจ็ดขวบคุณปว่นนปวยนูนป่วยนี่เด็กนนคุณนั้นแก่แล้วเพราะความแก่ปรากฏอยู่ที่ความเจ็บถ้าคุณไม่เคยเจ็บป่วยเลยถือว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่คุณก็ยังไม่แก่แต่ถ้าคุณเจ็บป่วยบวย่อยอายุน้อยเท่าไหร่คุณก็แก่แล้วเพราะความแก่นับกันที่ความป่วยความเจ็บป่วย ถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่ถือว่าแก่เพราะแก่ไม่ใช่อยู่ที่อายุแก่อยู่ที่อาการของโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะฉะนั้นป้องกันโรคไภัยไข้เจ็บคุณไม่อยากแก่คุณก็ต้องกันป้องกันไม่ให้เป็นโรคไภัยไข้เจ็บใช่ไหมเมื่อโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดคุณต้องไปแก้ไขทันทีใช่ไหมปวดหัวตัวร้อนแก้ไขทันทีแต่คุณปล่อยเอาไว้เดี๋ยวก็แก่ไปเรื่อยๆนะฮะแก้ไขทันทีแล้วก็รักษาสุขภาพให้เข้มแข็งเสมอเพื่อให้ความเจ็บปวดไม่ปรากฏ พยายามเรียว่าภาวนานะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีไว้นานๆความแก่ก็จะไม่ปรากฏความเจ็บเหตุเกิดเพรความเจ็บวิธีแก้ไขาการแก้ไขความเจ็บและวิธีแก้ไขความเจ็บเอาอริยสัจสีไปจับได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มาศึกษาวิปัสสนาเราก็จะใช้หลักอริยสัจไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้คือข้อดีของการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะมันรู้วิธีแก้ ปัญหาใช้แค่สี่อย่างเนี่ยสูตรสี่ประการนี่แหละให้หลักอริยสัจสีคือสูตรแก้ปัญหาแบบสากลพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็ามาบอกเราแต่เราจะใช้เป็นหรือไม่เป็นอยู่ตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราใช้หลักอริยสัจสีเป็นก็ถือว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเข้าถึงธรรมแล้วแต่เราอยู่กับศาสนามาเป็นร้อยวันพันปีแต่ใช้หลักอริยสัจสีไม่เป็นเลยจะบวนมาร้อยพรรษาก็ไม่มีความหมายเพราะใช้อริยสัไม่เป็น แต่โยงเข้ามาปฏิบัติแค่เจ็ดวันใช้หลักอริยาาสัจสีแก้ปัญหาเป็นโยงเข้าถึงธรรมเพราะยังไม่อยู่ที่ว่าเราใช้หลักที่พระเจ้าแต่สรุปเป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นเองและปัญหานี้เป็นมีทุกคนนะตั้งแต่เกิดจนตายมีปัญหาทุกคนถ้าคนไหนรู้จักใช้หลักอริยาาสัจสีแก้ปัญหาเป็นคนนั้นก็ถือว่าเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าคุณจะจําเรื่องอริยสัจได้ไม่ได้ไ ม, ไม่สําคัญสําคัญว่าใช้หลักอริยาาสัจแก้ปัญหาเพราะปัญหามีแล้ว ความทุกข์มีแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีแล้วแต่เราเอาหลักยีสัตว์ไปแก้ได้ไหมเอาหลักสัตว์ไปแก้นั่นแหละเรียกว่าการได้ดวงตาเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้เราไปเที่ยวป่าคงไม่เสียหลายมีเหตุได้ฟังคำกันนี้นะพอหมดเวลาแล้วเนาะข อ, ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้กายใจของตนเองเนี่ย ให้ทะลุปุโปร่งเพื่อเราจะต้องไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั่นเราเรียกว่าเข้าสึงมรรคนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเทีย